เจ็ดตำนานเรื่องเล่าผีหัวขาดที่น่าสยดสยองเรื่องราวสยองขวัญที่มีการเล่าขานกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณที่คนพยายามหาทางยิ้สุดว่ากันว่ามันดาวิญญาณที่ปรากฏล่างและหลอกหลอนมนุษย์นั้นที่น่าสะพึงกลัวมากอีกเรื่องราวหนึ่งเห็นจะเป็นเรื่องราวของวิญญาณผีหัวขาด วิญญาณหีหัวขาดเป็นวิญญาณที่จบชีวิตด้วยเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือมีการกระทําใดๆที่ทําให้หัวหลุดหรือขาดออกจากร่างและที่น่าแปลกใจโดยมากผู้ที่จบชีวิตด้วยการที่ศีรษะหลุดขาดออกจากร่างวิญญาณก็มักจะวนเวียนอยู่บริเวณ น, นั้นไม่ไปไหนและยังปรากฏตัวให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้พบเห็น สร้างเรื่องราวอันน่าสยดสยองเป็นอย่างมากอันดับที่เจวิญญาณบ้านเช่าเจมส์เวนเวิร์ดเดย์ผู้ที่เคยเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษในสมัยนั้นเล่าว่าครั้งหนึ่งเขาได้พบเจอกับผีตนหนึ่งที่สิงอยู่ในหมู่บ้านอแอ b บี้เฮาในบาเวลย่านนอกเมืองของคมบริเจมส์ ซึ่งเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเคียมบิดเมื่อ15ปีก่อนตอนที่เขาพักอยู่ที่บ้านซึ่งมีลักษณะเก่าแก่มีผนังทาด้วยหินสีเทาเขาตื่นขึ้นมายามดึกของคืนหนึ่งก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของภรรยาเจ้าของบ้านซึ่งภรรยาเจ้าของบ้านได้เล่าให้เขาฟังว่าขณะที่คืนนั้นเธอกําลังนอนหลับอยู่และตื่นขึ้นในกลางดึก เธอพยายามที่จะขมตานอนให้หลับแต่รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกำลังจ้องมองเธออยู่เธอค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างชา้ชาๆและมองเห็นที่ปลายเตียงของเธอเธอเห็นใบหน้าซีเซียวสีขาวไม่มีแม้กระทั่งคอร่างกายแขนขามีแค่ใบหน้าเท่านั้นก่อนที่เธอกับสามีจะซื้อบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านเช่าสองราย ได้ลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากบ้านตอนตีสองและไม่เคยกลับมาอีกเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าวิญญาณที่มีแต่ใบหน้าตนนั้นเป็นใครมาจากไหนและต้องการอะไรอันดับที่6วิญญาณไร้หัวเจ้าของผับณเมืองหนึ่งในเขต ร, ร้อนของออสเตรเลียลูคีเทียดังครีขณะยังมีชีวิต เป็นคนชอบดื่มสุราเป็นอย่างมากเธอเป็นเจ้าของผับดัง Three Leg Omen เธอถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนคอที่รานประหารประจำท้องถิ่นในปีคศ1842ในข้อหาฆาตกรรมลูกค้าผับของเธอเองหลังจากที่เธอถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอแล้วแพทย์ได้ตัดศีรษะของเธอไปเพื่อศึกษาบางอย่างเกี่ยวกับทางวิชาการแพทย์ จากนั้นไม่นานก็มักจะมีผู้คนเห็นผีหัวขาดเดินไปเดินมาอยู่แถวผับเก่าของเธอสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งจนไม่มีใครกล้าเข้าไปเที่ยวผับแห่งนี้อีกจนกระทั่งในปีคศหนึกส็ก็ยังคงมีคนพบเห็นเธอเดินอยู่แถวบริเวณโรงเตียมเก่าที่สลักอักพัมที่ซึ่งเคยเป็นผับดังอันเลื่องชื่อในสมัยหนึ่ง หนุ่มสาวผู้ชื่นชอบการตั้งแข็มบริเวณใกล้กับโรงเตียมนั้นมักจะตกใจตื่นกลางดึกเมื่อได้ยินเสียงร้องสะอื้นดังมาจากโรงเตียมโดยไม่สามารถหาที่มาของแหเนดสได้อันดับที่ห้วิญญาณหญิงสาวแห่งดาสมัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองดาสมัวประเทศอังกฤษในตอนกลางคืนมักจะมีคนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยตามลานบ้าน และตามบันไดของแมนชั่นเก่าแก่แห่งหนึ่งฝีเท้าของเธอหนักจนทําให้พื้นไม้มีเสียงดังลั่นขึ้นมาเคยมีผู้พบเห็นหญิงคนหนึ่งสูมผ้าคลุมสีสันกำลังก้าวเดินขึ้นบันไดเมื่อเขาจ้องมองไปที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นกลับมองเห็นแต่ความว่างเปล่าเป็นเงาดำมืดมิดไม่มีใครรู้ว่าเธอมีชื่อเดิมบ้าอะไรแต่เชื่อกันว่าเธอสมัยยังมีชีวิตอยู่ เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้พิพภาคสาเกรนวิลผู้หญิงคนนี้ถูกสั่งตัดหัวโดยบิดาของเธอเองตามที่ทราบมาเธอถูกพ่อของเธอบังคับให้แต่งงานกับช่างทองที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นแต่เธอซึ่งมีคนรักอยู่แล้วไม่อยากแต่งงานกับช่างทองทําให้เธอกับคนรักของเธอวางแผนการฆาตกรรมช่างทองคนนั้นเสีย และก็สำเร็จด้วยแต่เมื่อเธอกับคนรักของเธอถูกจับได้จึงถูกสั่งประหารชีวิตทั้งคู่บางคนเล่าว่าเคยได้เห็นส่วนที่เคยเป็นศีรษะของเธอเป็นเงาสีคล้ำๆ ล, ำลางๆดูน่ากลัวด้วยอันดับที่สนักรบหัวขาดอีเวนแมกครีนเป็นนักรบรูปร่างสูงใหญ่ร่างกายกำยำดูขแข็งแกร่งไม่กลัวใคร เขาอาศัยอยู่ที่ปราสาทคอร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินผาสูงริมทะเลของเกาะแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์เขามีนิสัยชอบขี่ม้าอวดผู้คนแถวนั้นอยู่เสมอเสมอในสมัยที่เขาออกรบเขาได้ถูกค่าศึกหั่นหัวจนขาดกระเด็นหลังจากที่เขาเสียชีวิตมักจะมีคนเห็นวิญ ญ, ญาณของชายไร้หัวขี่ม้าวิ่งไปตามบริเวณปราสาทและห้องต่างๆของปราสาทคอร์เป็น และที่ดินแดนแห่งนี้เองสกอตแลนด์ Scotland, เป็นที่ที่มีผีหัวขาดมากมายหนึ่งในผีหัวขาดที่กล่าวถึงกันมากที่สุดคือหลอดโลวัตซึ่งเขาถูกตัดคอในลอนดอนเมื่อปีคศ1747เนื่องจากโดนข้อหากบฏหลังจากที่เขาได้จบชีวิตลงได้มีคนเจอวิ ญ, ญญาณของเขาอุ้มหัวในมือข้างซ้ายเดินอยู่ตามถนนสายต่าง ใกล้กับกำแพงหินเก่าของหอคอยที่เข้าถูกประหารสร้างความสยดสยองแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากอันดับที่สามผีทหารหนุ่มปีคศ .1958 ประเทศอังกฤษปราสาทโดเวอร์หนึ่งในบรรดาปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษบนทางเดินใต้ปราสาทที่มีการขุดเอาไว้เมื่อกว่าเจ0ปีก่อนมีนายทหารคนหนึ่งนามว่า ปีเตอร์ขณะที่เขากำลังขนเงินเดือนไปจ่ายให้เหล่าทหารเพื่อนพ้องร่วมรบด้วยกันนั้นเขากลับต้องจบชีวิตลงมีคนพบศพของปีเตอร์ในสภาพไร้ศีรษะและเงินที่เขาขนมานั้นได้หายไปไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำหลังจากนั้นต่อมาเมื่อการสู้รบสิ้นสุดลงท ห, หารชุดสุดท้ายก็ได้ถอนกำลังออกมาจากปร า, าสาทโดเวอร์จนหมด จนปร า, าสาทนี้กลายเป็นปร า, าสาท ร, ร้างไม่หลงเหลือใครอยู่แต่ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาแถวนั้นมักจะเห็นว่ามีคนแต่งชุดทห า, หารเดินไปเดินมาอยู่รอบๆปร า, าสาทในลักษณะไหลเหื อ, อยู่เป็นประจำอันดับที่สองผีหัวขาดลึมถนนในหน้าหนาวของปีคศ1940ส หิมะขาวปกคลุมเหมือนหมอกควันแห่งความตายที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้กับนอร์ทแฮมป์ตันประเทศอังกฤษขณะที่จอร์ดคอบกำลังเดินกลับบ้านของเขาที่ฟอกแอนฮาวในขณะที่เขากำลังเดินผ่านประตูรั้วของสุสานแห่งหนึ่งนั้นเขาสังเกตเห็นแสงไฟสีเหลืองของรถยนต์แล่นมาตามทางของถนนที่มีหิมะปกคลุม แล้วเขาก็ได้เห็นเงาตะคุ่มตะคุมของคนขี่รถจักรยานอยู่ตรงเบื้องหน้าของรถยนต์และเมื่อรถยนต์วิ่งแล่นเข้ามาใกล้มากขึ้นทำให้เขาได้เห็นเงาของคนขี่รถจักรยานชัดเจนขึ้นทันใดนั้นจอร์จก็มองเห็นได้ว่าคนขี่รถจักรยานนั้นไม่มีสีสั์จอร์ยังคงจ้องมองคนขี่รถจักรยานคันนั้นอยู่อย่างไม่ละสายตาเพราะคิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดสักครู่หนึ่ง รถยนต์คันเดียวกันนั้นก็วิ่งเฉี่ยวรถจักรยานแล้วเร่งเครื่องขับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเดินไปถึงจุดที่รถยนต์เฉี่ยวชนจักรยานคันนั้นเขากลับไม่พบร่องรอยใดๆไม่ว่าจะเป็นกองเลือดคนขี่จักรยานตัวรถจักรยานหรือแม้ชิ้นส่วนใดๆของรถจักรยานหลังจากนั้นไม่นานจอร์ดได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆของเขาฟังในพับเขามั่นใจว่า เขาเห็นทุกอย่างแต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุกลับไม่พบอะไรเลยทันใดนั้นเองชายรูปร่างบึกเบินที่ได้ยินจอร์จเล่าเรื่องก็เข้ามาแนะนำตัวเองว่าเขาเป็นคนขุดหลุมศพที่สุสานดังกล่าวและบอกกับจอร์จว่าสิ่งที่เขาเห็นอาจจะเป็นเพื่อนของเขาที่ได้ฝังไปเมื่อ2ี่สิปีก่อนเพื่อนของเขาตายเพราะถูกรดเฉียวแล้วล้มลงหัวฟาดพื้น ก่อนจะถูกคมเหล็กจากรถปั่นจนหัวขาดอันดับที่1วิญญาณหญิงนิรนามบนท้องถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลอนดอนปีคศ1975บนถนนเมื่อชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ได้เห็นบางอย่างอยู่กลางถนนขณะขับรถกลางดึกทำให้แท็กซี่คนนั้นต้องรีบเหยียบเบรกห้ามล้อรถอย่างกระทนันหัน จนเกิดเสียงล้อรถครูดกับถนนเสียงดังลัน่นรถเสียศูนย์สะบัดไปมาคนขับหัวฟาดกับพวงมาลัยอย่างแรงเมื่อรถหยุดแน่นิ่งแล้วชายคนขับรถแท็กซี่ยังคงมีสติเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาก็ต้องตกใจอย่างสุด ข, ขีดตัวเขาแข็งชื่อดวงตาเบิกกว้างเมื่อเขามองเห็นร่างคล้ายผู้หญิงคนหนึ่ง สวมใส่ชุดเล่นละครโบราณเมื่อสมัยหลายร้อยปีก่อนเดินผ่านหน้ารถเขาไปอย่างช้าๆแต่ทว่าร่างนั้นไม่มีศีษะอยู่ตาเขาไม่อาจละสายตาจากสิ่งที่เห็นได้เขาจ้องมองร่างไร้ศีษะนั้นที่ซึ่งเขามองไม่เห็นแม้แต่คอก่อนที่เขาจะตั้งสติได้ร่างนั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าบนท้องถนนซึ่งมีรถของเขาจอดอยู่ในความมืดเพียงลำพัง หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานแท็กซี่คนนั้นก็ได้ทราบว่าสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นเป็นภรรยาของนายทหารคนหนึ่งเมื่อสมัยสตวตรรษที่18ที่ตายเพราะโดนสามีของเธอเองฆ่าตัดคอและนำศพมาทิ้งไว้บริเวณป่าข้างถนนใกล้กับบริเวณที่เขาได้พบเจอวิญญาณผู้หญิงหัวขาดในคืนนั้นเองสยองกัพอหรือยัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเราจะกลับมาสยองกันอีกสมพัสสยอง